ก็วันนี้ถือว่าเป็นวันเปิดงานเป็นทางการนะฮะเอาอยัางบุท่านได้ถักทายเจ้าของบ้านเบืเ้อง d อามามาดูเลนะเจ้าของบ้านเบิ้นง d e บุท่ า, ทานได้ตอบรับเด้แลื่นั้นยาวันนี้เป็นวันวิสาขนำแล้วก็เป็นวันพระนำเป็นวันที่เข้าหล่มตุลดำเนินการเรื่องของการภาวนานะ <c oughs>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 แต่ส่วนใหายแล้วพวกเขาก็มีแต่าการบำเพ็ญทานาก็เววากันแต่เรื่องทานเรื่องหักษาศีล น, นี่ก็ยังบ่อคอยเทอดายวันศีลวันพระเขาก็บอะไรมาจําศีลกันวัชิมาอ่านหับศีลแปดปอปวดซีพามบอปวดขาว้าหนุงขา้า อันนี้ก็มีน้อยส่วนหลายแล้วก็มีแต่ปุถ่าปูแกแต่ก่อนนั้นก็มีไม่ตุยุ่ันแลวันศีลมาแล้วก็พอได้หัวจากว่าโอ้เป็นวันศีลเนอะอสักส่วนวนต้านลูกลานไปลงไปไหวพระมือนีอ่วันศีลได้ตัวเองบัดสัปมามัวได้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 หากันเห็นนำอยต่อนเขาพรรษาออกพรรษาแล้กกาถือว่าโบปานใดเพราะว่ามันเป็นประเภทนี้มาในเมืองเล่าการเข่าพรรษาจังไหวพระสวดมนต์การออกพรรษาแลกกะเล่แล้วผ่าสงองค์เจ้าก็ได้มิได้พากันไปหาเหียนนั้งเหนังสือทั้งอื่น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 องหนึ่งไปทางหนึ่งองหนึ่งไปทางหนึ่งจักองใดผิดจักองใดถือเขาก็ เ, า เ, กเลยบูฮู้ว่าเสีเ อ, องใดแต่ตัวเองนี่มีความหูซึกแต่ว่าอยากได้ความจริงอยากได้สัจธรรมแห่งความจริงวานใดถือรักทำคาสอนของพระพุธทธเจ้าจรแท้จริรจรจรจรจรจรจรจรจรจรจรจอจรจรจรจรจร อยากปฏิบัติปัญหกคูบาอาจารย์ทีอยู่น้ำกันกาโงคงที่ปฏิบัติน่มันก็ดปกข่อยมีเท่าไดรกันอยากปฏิบัติกะไอหมูบานนีตกหมูแห้งเป็นแห้งตกหมูกาเป็นกาเนาะกัญชีว่าแล้วก็ได้กันสิเหตุแปลกๆหมูกัะพันบได้ แต่ว่ากระหู้ว่าสีเหตุอย่างใดผุนแล้วไปรีเหตุเอาไอ้จา์นี้ได้รีเหรอใดนั่งสมาธิเนี่ยเพราะว่ากันมเห็นมูวว่วเยอะเดเดระไอ้จิเป็นผาอหาอนันเลยเนาะวะฮขกิดอายตัเนาะเขาก็บว่าป้าอหารหันเป่นยังอีกีีรถเก่าป้านละในยอนวัดวันนี้ป่าเน่ยน้อยหนึ่ง อไปลี่เยาวันนี้ได้ปฏิบัติเข่าแนห้องจักศินจักรธแรมในเล็กๆนน้อยโอ้ยเป็นจะมายากเทศจากซ้อนโม่ไปเนี่ยจากซ้อนแด่ๆเนียจากเทศเทะเทศอันเทศออกมาคันชีวาออกมาผัตัวเองกะอันนึงกัเป็นผ่าผู้น้อยอันสองมากกะ่ะแบบในลักษณะคือมันห้อนวิชานี่นะ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 โอ้ยจิตใเสียดายอวันนี้เวลาสิกเตเดึกเวลาสิกรณยาทานยาทานถามว่าสมมาสันใสว่าสิตตายอันนำผ่าเหลืองเหรอสันโอ้ยมันเป็นอา น, นิจจังญาทานแล้วเ <laughs> ออแต่ความจริงแล้วฮนาะขันเมนอยู่ในบ่อนสถานที่วัดเผิ่นผาปฏิบัตินี่นะ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 เมื่อเขาทำงานทางประเพณีหลายมีงานทางประเพณีหลายจิตใจออกตนหยติโยมมันก็ไปทางประเพณีมันไปทางความมวนความสื่นหลายโพดข้เจ้ามวนสื่เนี่ยมวนสื่ออยู่ทางนอกและยังมวแล้วแม้แต่วัดกันยังกรับเข้ามามวนสื่นกันอกีกยังมีกิน่นยังมีดื่มเข้าไปอกีก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 คืดงอว่าเออต้องมานั่งเออนั่งสมาธิบทิิงบติงออยุงกัดกับบทุบอย่างสิข้เจ้าก็เลยขืดงอว่าห้ยเขาคือสิเหตุมาได้ดอกออแต่ว่าคืออันนี้นี่นั่งไส่ก็นั่งได้นั่งโตนั่งต่า ง, งนั่งจู่ใส่ก็ได้ก็คือสิ่เหมาะสาหรับกระเจ้านะั่นนะ